กันที่สองพระวินัยในตอนแรกที่ยังมีภิกษุน้อยอยู่การปกครองก็ไม่สู้ต้องการเท่าไรนักสาวกทั้งปวงได้ประพฤติตามปฏิปทาของพระศาสดาและทราพระศาสนาทั่วถึงรันภิกษุมีมากขึ้นโดยลาดับการและกระจายกันอยู่ไม่ได้รวมเป็นหมู่เดียวกันการปกครองก็ต้องการมากขึ้นตามกัน คนเราที่อยู่เป็นหมวดหมู่จะอยู่ตามลําพังไม่ได้เพราะมีอัธยาศัยต่างกันมีกําลังไม่เท่ากันผู้มีอัธยาศัยหยาบและมีกําลังมากก็จะข่มเหงคนอื่นคนสุญภาพและคนมีกําลังน้อยก็จะอยู่ไม่เป็นสุขเหตุนั้นพระเจ้าแผ่นดินจึงทรงตั้งกฎหมายขึ้นห้ามราบไม่ให้คนประพฤติในทางผิดและวางโทษแก่ผู้ล่วงละเมิดไว้ด้วย นอกจากนี้ในหมู่หนึ่งหนึ่งเขาก็ยังมีธรรมเนียมสำหรับประพฤติอีกเช่นในสกุลผู้ดีเขาก็มีธรรมเนียมสำหรับคนในสกุลนั้นในหมู่ภิกษุก็จำต้องมีกฎหมายและขนบธรรมเนียมสำหรับป้องกันความเสียหายและชักจูงให้ประพฤติงามเหมือนกันพระศาสดาทรงตั้งอยู่ในที่เป็นพระธรรมราชาผู้ปกครอง และทรงตั้งอยู่ในที่เป็นพระสังฆ บ, บิดรผู้ดูแลภิกษุสงฆ์พระองค์จึงได้ทรงทําหน้าที่ทั้งสองประการนั้นคือทรงตั้งพระพุทธบัญญัติเพื่อป้องกันความประพฤติเสียหายและวางโทษแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิดด้วยปรับอาบัติหนักบ้างเบาบ้างอย่างเดียวกับพระเจ้าแผ่นดินตั้งพระราชบัญญัติอีกฝ่ายหนึ่งทรงแต่งตั้งขนบธรรมเนียมซึ่งเรียกว่าอภิสมาจาร เพื่อชักนำความประพฤติของภิกษุสงฆ์ให้ดีงามดุจบิดาผู้เป็นใหญ่ในสกุลฝึกปรือบุตรของตนในขนบธรรมเนียมของสกุลฉะนั้นพระพุทธบัญญัติและอภิสมาจารย์ทั้งสองนี้รวมเรียกว่าพระวินัยพระวินัยนี้ท่านเปรียบเหมือนได้ร้อยดอกไม้อันควบคุมดอกไม้ไว้ไม่ให้กระจัดกระจาย เพราะเหตุรักษาสงฆ์ให้ตั้งอยู่เป็นอันดีอีกอย่างหนึ่งคนที่มาบวชเป็นภิกษุจากสกุลต่างๆสูงบ้างกลางบ้างต่ำบ้างมีพื้นเพแต่งกันมาแต่เดิมมีน้ำใจต่างกันหากจะไม่มีพระวินัยปกครองหรือไม่ประพฤติตามพระวินยัยจะเป็นหมู่ภิกษุที่เลวทรามไม่เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาและเลื่อมใส ถ้าต่างรูปประพฤติตามพระวินัยอยู่แล้วจะเป็นหมู่ภิกษุที่ดีนำให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสเหมือนดอกไม้ต่างพันเก็บคลากกันมาในภาชนะแม้บางดอกจะมีสันถานอันงามมีกลิ่นหอมเพราะโทษที่คลาดกันย่อมเป็นของไม่น่าดูไม่น่าชมเลยดอกไม้เหล่านั้นอันช่างผู้ฉลาดจัดให้เข้าระเบียบวางไว้ในพานย่อมเป็นของน่าดูน่าชม อย่าว่าแต่ดอกไม้ที่งามเลยแม้แต่ดอกไม้ที่ไม่งามก็ยังพลอยเป็นของดูได้ระเบียบนั่นเองทำให้เป็นของงาม